การปฏิบัติธรรมทางนี้ทางนั้นเพื่อสร้างสติสัมปชัญญะสร้างสติสัมปชัญญะจนมีพลังพร้อมเป็นสติวินัยโยเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้รลอมเฝ้าอยู่ที่จิตตลอดเวลาเราก็จะมีสติเป็นผู้นำอยู่ในจิต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 จิตของผู้ภวดาก็จะกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการเข้าถึงพระไตารารณะคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็พร้อมเราจะได้ความเชื่อมั่นในโอวาทคำสั่งสอนของพระตถ า, าคตเจ้านิวิทธะสัทโทมีความมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตานไาตร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 เป็นช่องโวที่ทำให้วิญญาณอื่นเข้ามาแทรกสิ่งได้เช่นโดยปกติคนเรามีจิตมีวิญญาณที่เยไปเที่ยวยึดอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลล่นกายหลใจหาอะไรยึดมั่นเป็นที่แน่นอนไม่ได้พออะไรผ่านเข้ามาก็ยดึยดยดึยดยดึดยึด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 ถ้าหากว่าท่านผู้ใดมายึดร พ, พระพจน์ประธรรมประสงค์เป็นสาณะที่พึ่งอย่างเหนียวแน่นจิตของเราก็มีสาระมีที่พึ่งมีที่ยึดเมื่อร พ, พระพจน์ประธรรมประสงค์นี่เราเยึดจยางเหนียวแน่นภายหลังมาจิตของเราจะกลายเป็นพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปเมื่อไหร่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 ก็มีมันๆอย่างปัญหาแรกเพราะเขาเหล่านั้นยังนับถือเทพทเจ้านับถือหลวงพ่อผู้หรือเจ้านโน้นเจ้านี้ในเมื่อทำพิธีส่งขึ้นมาแล้วมันก็เกิดมีการสง่งาหากเราจะมั่นต่อพระรัตนตรัยกันจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะมาเข้าส่งเราได้ทําไมพวกนี้จึงบอกว่าเรื่องบอกอนาคตได้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 อันนี้อันนี้ขอให้คำตอบแค่นี้พูดมากไปมันทำลายประโยชน์ของคนอื่นในปัญหาหนึ่งผู้ที่ทำกรรมฐ า, านนั้นจะมีแสงเหมือนกันเหมือนไฟฟ้าไฟฟ้าสกิจออกจากเสื้อผ้าและผ้าห่มนั้นเกิดเนื่องมาจากสาเหตุอะไร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 อันนี้เป็นสมาธิแบบฌานดูสีสมาธิแบบฌานดูสีนี้เป็นบาดพื้นให้เกิดวิปัสนาถ้าเมื่อเราอยู่ในฌานดูสีถ้าจิตของเราออกจากฌานดูสีพอรู้สึกว่ามีกายปลากรบขึ้นความคิดเกิดขึ้นมาพับ๊พพบผู้ภาวนาธรทมสติกำหนดตามรูปไปแล้วฌานดูสีจะกลายเป็นพลังสง่งสนับสนุนจิตของเราให้เดินวิปัสนาได้อย่างแน่วแน่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 จดจ่อกันอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิโตเมื่อมีติวิโตวิจารณเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ฌานที่หนึ่งกับที่สองเมื่อองค์ฌานที่หนึ่งที่สองเกิดขึ้นแล้วปีติและความสุขจะเกิดเป็นไปอาจจะไม่เกิดเป็นไปไม่ได้ปีติและความสุขจอมเกิดเป็นผลตามมาเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมีสติจดจ่ออยู่กับความคิดที่เกิดดับในปัจจุบัน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 จนกระทั่งกายที่มองเห็นสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือเหลือบางทีจิตก็มีสิ่งรู้ที่ผ่านเข้ามามีลักษณะเหมือน อ, อกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่มาวนรอบจิตอยู่ตลอดเวลาจิตตัวนี้อยู่ในอริยมรรคเอกายโนโมัคคูเขาตั้งตัวเดินหยัดอยู่ในความสงบนิ่งเด่นสว่างสวายอยู่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 เป็นแต่เพียงสิ่งรล้ของจิตสิ่งลึกลึกของสติรู้แล้วก็ปล่อยวางไปเรียกว่าฌานในอริยมรรคฌานในอริยมรรคนเรียกว่าลักคนูปนิชานเพราะจิตทำหน้าที่กําหนดรู้สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใครรู้เห็นคำวมาในข่้นนี้แม้จะมองเห็นร่างกายเน่าเปือ่อยผุพังจิตมันก็ไม่ว่าเน่าเปือ่อยผุพัง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 ในเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตจึงไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งดี ส, งสิ่งชั่วแต่จิตจะยอมรับกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราสมมติว่าบุญนี่เป็นสิ่งพยุงดวงจิตของเรางขึ้นแต่สิ่งที่เราสมมติว่าบาปนี่เป็นกฎที่จะ่วงดวงจิตของเราให้ต่าลงคาว่าบุญบาปหายไปหมดเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญิ เพราะฉะนั้นความรู้ในจุดนี้จึงเป็นอันตรายแก่นักปฏิบัติในเมื่อไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสมมติบัญญัติในที่สุดนิพพานังปรามังมันก็สูญยังไปหมดไม่มีใครสําเร็จปณิพานบุญบาตรที่ทำลงไปมันก็สูญยังไปหมดไม่มีอะไรสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นนิยตมิจฉาทิฐิมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้พอเง้นนักภาวนาทั้งหลายควรระมัดระวัง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 แต่ที่ท่านว่าทาบุญนอกศาสน์นอกศาสนาเนี่ยาหากว่าใครไม่นิยมที่จะทำมันเป็นเรื่องที่ถิมานะเรื่องถือตนถือตัวถือเราถือเขาในมาจิตใจของเรามั่นต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปกราบลงในบทฝรั่งมันก็ถูกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเราถ้าพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจมี ถ้าไม่มีในใจไปกราบที่ไหนก็ไม่ถูกอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราถือเอาใจเป็นใหญ่อย่าไปรังเกียจเวลาเขาชวนเข้าโบสถ์เขาทำพิธีก็เอ้าททำไปก็ครับแต่ใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่เสียหาย